สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธยาพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในบทเรียนจากชุพาษิทธ์บทที่24ข้อ8ถึงข้อ14ครับโปรดฟังพรอวจนะของพระเจ้าคนที่วางแผนทำชั่วเขาเรียกกันว่าคนเจ้าเล่การคิดประดิษฐ์ความโง่เป็นบาปและคนชอบยอะเยะ้ยเป็นที่เกลียดชังต่อมนุษย์ถ้าเจ้าอ่อนล้าในวันยากลาบาก กำลังของเจ้าก็น้อยจงช่วยคนที่ถูกนำไปสู่ความตายและจงเหนีย่ยรังคนที่กําลังโซเซไปสู่การถูกฆ่าถ้าเจ้าจะว่าดูเถิดพวกเราไม่รู้เรื่องนี้เลยพระองค์ผู้ทรงตรวจ ด, ดูจิตใจจะไม่ทรงทราบหรือพระองค์ผู้ทรงคุ้มครองชีวิตของเจ้าจะไม่ทรงทราบหรือและพระองค์จะไม่ทรงตอบแทนทุกคนตามกรารกระทาของเขาหรือลูกเอ๋ย จงกินน้ำพึ่งเพราะเป็นของดีอันน้ำพึ่งที่หยดจากรวงนั้นมีรสหวานแก่ลิ้นของเจ้าจงรู้เถิดว่าปัญญาก็เป็นเช่นนั้นแก่วิญญาณของเจ้าถ้าเจ้าพบปัญญาก็จะมีอนาคตและความหวังของเจ้าจะไม่สลายพี่น้องครับในชาวันนี้มีสี่ถ้อยคำนะครับก็คือถ้อยคำที่23เริ่มตั้งแต่ข้อที่8และข้อที่9 ถ้อยคำที่24ในข้อที่10และถ้อยคำที่25ในข้อ 11-12 ถ้อยคำที่26ในข้อ 13-14 ครับในวันนี้จะมีทั้งสิ้นรวม4ถ้อยคำด้วยกันซึ่มาถึงเราในเช้าวันนี้ถ้อยคำแรกครับกล่าวว่าคนที่วางแผนทําชั่วเขาเรียกกันว่าคนเจ้าเล่การคิดประดิษฐ์ความโง่เป็นบาปและคนชอบย้อเย้ ย, เ, ยเป็นที่เกลียดชังต่อมนุษย์พี่น้องครับนี่คือถ้อยคาที่23ครับ ด้พูดถึงเรื่องของการวางแผนชั่วก็กลายเป็นคนชั่วครับหมายความว่าเจ้าของแผนชั่วนั้นก็คือคนชั่วการวางแผนชั่วนั้นถือว่าเป็นเรื่องโง่เข่าครับเพราะว่าเต็มไปด้วยบาปและมันจะจบลงด้วยการยอดเยยซึ่งผู้คนจะเกียดชังคนที่ชอบยอดเยยครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า skimmer ซึ่งแปลว่าคนเจ้าเล่และเราจะเห็นได้ว่า การคิดวางแผนนั้นมันเหมือนกับเป็นการประดิษฐ์ประดอยครับเพรา ะ, ะนั้นตรงนี้ก็ได้ให้คำที่พูดถึงเรื่องของการประดิษฐ์ประดอยคิดอย่างละเอียดคิดโดยละเอียดพี่น้องครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ชั่วร้ายครับเราไม่ควรอยู่ใกล้กับคนเหล่านี้และในขณะเดียวกันครับเราจะต้องระวังคนเหล่านี้เช่นเดียวกันประเด็นที่น่าคิดก็คือว่าคนเหล่านี้นั้น แท้จริงแล้วไม่ใช่เป็นคนขยันหรือเป็นคนที่ซื่อสัตย์แต่ว่าแผนการของเขานั้นก็คือการหลอกคนครับหลอกลวงคนหลอกใช้คนต่างหากและที่น่าเสียดายเสียใจที่สุดก็คือแผนการเหล่านี้จะจบลงที่ความชั่วร้ายจบลงที่การเห็นแก่ตัว จ, จบลงที่ผลประโยชน์ส่วนตนเมื่อคนเริ่มรู้จักคนเหล่านี้คนเหล่านี้จะเป็นที่น่ารังเกียจเป็นอย่างยิ่งครับ ต่อไปครับก็จะเป็นถ้อยคําที่24่สิบสี่ถ้อยคําที่24นั้นเป็นเพียงแค่ข้อเดียวครับถ้าเจ้าอ่อนล้าในวันยากลำบากกําลังของเจ้าก็น้อยนี่คือการยอมตามแรงกดดันของปัญหาแสดงว่าคนค น, นนั้นอ่อนแอครับคนคนนั้นจํากัดจํากัดในแง่อะไรครับจํากัดในแง่ของกําลังวังชาจากัดในแง่ของกาลังใจพี่น้องครับ คำว่าปัญหานั้นก็นำมาซึ่งความเศร้าโศกเสียใจก็ได้ครับในเวลาเดียวกันปัญหานำมาซึ่งการเกิดความฮึกเหิมเกิดกำลังก็เช่นเดียวกันก็ได้ยอมได้เช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่โซโลมอนได้ให้กำลังใจลูกของตัวเองครับว่าอย่าอ่อนแออย่าอ่อนล้าในวันยากลาบากเพราะอะไรครับเพราะว่า ถ้าเราอ่อนละกำลังเราก็น้อยพี่น้องครับหากว่ามีวันหนึ่งในอนาคตเป็นวันยากลำบากของเราซึ่งก็คือเป็นวันที่เกิดปัญหามากมายแต่ถ้าเราไม่ภาคเพียรเราเฉยแฉะและเราล้มเลิกเราท้อใจเราอ่อนแอตามกำลังความกดดันระดับความเข้มของปัญหาแสดงว่าเรานั้นได้ ตกอยู่ภายใต้สถ า, านการณ์ที่เลวร้ายขอให้เราอย่าท้อใจนะครับขอให้เราภาคเพียรวิริยะอุตสาหะและมีกำลังในการต่อสู้กับปัญหาเพื่อเปลี่ยนปัญหาและเกิดปัญญาต่อไปครับเป็นถ้อยคำที่25ซึ่งปรากฏอยู่ในข้อที่11และ12ของบทที่24นะครับจงช่วยคนที่ถูกนำไปสู่ความตาย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 และตกอยู่เป็นเหยื่อของความไม่ยุติธรรมและถูกกดขี่พี่น้องครับก็เปรียบเสมือนกับคนที่ถูกนำไปฆ่าครับคนที่ถูกดูถู ก, ถกนำไปดูดพลังเอารัดเอาเปรียบพี่น้องครับเอาชีวิตไปแลกมาซึ่งความมีกาไรของคนที่อยู่เบื้องบนพี่น้องครับตรงนี้เองทำให้เรารู้ว่าเรา ในฐานะที่เป็นคริสเตียนเป็นลูกของพระเจ้านั้นจะไม่ปล่อยให้คนตกเป็นเหยื่อของความไม่ยุติธรรมและถูกกดขี่ข่มเหงพี่น้องครับตรงนี้นั่นหมายความว่าเป็นหน้าที่รับผิดชอบของเราที่จะต้องมีต่อสังคมครับเราเองนั้นจะต้องได้ยินคำร้องขอของคนอื่นๆที่ตกทุกข์ได้ยากพี่น้องครับบางคนก็อาจจะอ้างว่าเขาไม่ได้ยินคำร้องขอต่างๆแต่ปฏิเสธไม่ได้ครับเพราะว่าพระเจ้านั้นทรงล่วงรู้ ร่วงรู้ใจว่าใครเป็นอะไรคิดยังไงใครจงใจที่จะเพิกเฉยต่อคําร้องขอของผู้อื่นพระเจ้าจะทรงเรียกเอาจากเขาพระเจ้าจะทรงพิพากษาเขาพี่น้องครับการกระทําแบบนั้นนะครับเราจะต้องรู้ว่าใครใหญ่ที่สุดครับพระเจ้าใหญ่ที่สุดพระองค์ทรงช่างจิตใจของเรานั่นหมายความว่าพระเจ้าทรงร่วงรู้ความคิดภายในใจของเราพระองค์ทรงสนพระไทยครับ ว่าคนที่ยากไร้คนที่ถูกกดขี่ข่มเหงคนที่ด้อยโอกาสนั้นพระเจ้าสนใจคำร้องทูลของเขาครับในสมัยก่อนนั้นคนที่ถูกกดขี่ข่มเหงมักจะเป็นทาสหรือเป็นเฉลยแต่ในสมัยนี้นั้นก็ปรับเปลี่ยนไปครับก็คือเป็นคนด้อยโอกาสทางสังคมคนที่ไม่มีความรู้คนที่ถูกคนอื่นเอารัดเอาเปรียบ คนเหล่านี้ครับเราจําเป็นที่ต้องช่วยเขาให้เขาพ้นจากภาวะวงจรการเจ็บไข้ได้ป่วยการยากจนการขาดความรู้เราจะต้องจดจําครับว่าพระเจ้ารู้สภาพที่แท้จริงในใจของเราพระเจ้าจะอวยพรเราหรือพระเจ้าจะตอบโต้เราพี่น้องครับอยู่ที่เราจะมีท่าทีอย่างไรต่อคนเหล่านี้ในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนนะครับเรา ก็จะต้องเป็นยามเฝ้าสังคมพี่น้องครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากพอสมควรครับที่หลายหลายท่านรวมทั้งผมด้วยก็มองข้ามไปขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ที่เตือนสติเราให้เราสนใจสังคมให้มากยิ่งขึ้นและพยายามช่วยเหลือสังคมปกป้องสังคมและทำประโยชน์ต่อสังคมให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ครับ พี่น้องครับเรามาถึงถ้อยคำสุดท้ายของวันนี้คือถ้อยคำที่2ีซึ่งปรากฏอยู่ในข้อที่1 3 3 4ลูกเอ๋ยจงกินน้ําผึ้งเพราะเป็นของดีอันน้ําผึ้งที่หยดจากรวงนั้นมีรสหวานแก่ลิ้นของเจ้าจงรู้เถิดว่าปัญญาก็เป็นเช่นนั้นแก่วิญญาณของเจ้าถ้าเจ้าพบปัญญาก็จะมีอนาคตและความหวังของเจ้าจะไม่ล่มสลายพี่น้องครับ ในข้อนี้ทำให้เราเห็นถึงเรื่องสองเรื่องด้วยกันก็คือว่าสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจครับกายและใจเป็นทอยคำของโซโลมอนที่26ซึ่งให้กับลูกหลานของท่านพี่น้องครับให้เรากลับมาดูว่าทำไมเราต้องกินน้ำผึ้งเพราะเป็นของดีแท้จริงแล้วถ้าเราศึกษาไปลึกถึงเรื่องของน้ำผึ้งก็จะมีฮอร์โมนจะมีหลายอย่างครับที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายของเรา แต่มันก็มีความหวานพี่น้องครับความหวานนี้สําหรับเด็กนั้นก็ดีครับแต่สําหรับผู้ใหญ่ที่เป็นโรคเบาหวานนั้นก็อาจจะไม่ดีเท่าที่ควรแต่สิ่งที่เป็นคําสอนสําคัญอยอยู่ที่นี่ครับจงเลือกกินสิ่งที่ดีกับร่างกายของท่านจงดูแลร่างกายของท่านให้แข็งแรงดังนั้นเองแสดงว่าให้กินอาหารเป็นยาครับอย่ากินยาเป็นอาหาร เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้ดีครับโดยลักษณะแล้วน้ำผึ้งเป็นสิ่งที่หวานที่สุดในแถบตะวันออกกลางหรือเขาเรียกว่าตะวันออกใกล้นะครับหวานกว่าอินทผลัมหวานกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นน้ำผึ้งนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาและเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ด้วยพี่น้องครับเรื่องนี้ก็เลยถูกเปรียบเทียบกับสุขภาพใจ ก็คือว่าเราจะต้องมีปัญญาครับใครที่มีปัญญาหรือมีสุขภาพใจที่ดีก็จะมีอนาคตและมีความหวังใจนะครับความหวังก็จะไม่ล่มสลายที่น้องครับเราจะเห็นนะครับว่าปัญญานั้นเป็นเรื่องของการตรเตรียมเพื่ออนาคตครับในทำนองเดียวกันกับการความโง่เขลาไม่ได้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรเตรียมอนาคตแสดงว่าเราเองนั้นจะต้องมีความพึงพอใจพึงปรารถนาปัญญา และเราจะต้องมีความรื่นรมอยู่กับการที่เรามีปัญญาเรื่อนรมอยู่กับคนที่มีปัญญาอยู่ใกล้ชิดกับคนที่มีปัญญาเราก็จะมีอนาคต <S <s ครับเ <s> พราะฉะนั้นปัญญานั้นมีความหวานชื่นนะครับมีความหวานชื่นมีความรื่นรมเมื่อเรารับประทานลงไปแล้วและยังสร้างความพึงพอใจและสร้างความเรียกว่าปรารถนานะครับความพึงพอใจและความปรารถนาะที่เราจะ ได้รับอีกได้กินอีกได้ดื่มอีกปัญญานั้นมีความหวานชื่นเช่นนั้นครับอนาคตในที่นี้ก็กินความหมายส่งไปถึงเรื่องของชีวิตนิรันด์เช่นเดียวกันถ้าผู้ใดที่มีปัญญาเขาจะรู้จักกับพระเยซูครับและเมื่อรู้จักกับพระเยซูรู้จักกับพระเจ้าเขาก็จะได้รับชีวิตนิรันด์ซึ่งเป็นของพันธานจากพระเจ้ามาถึงพวกเราทั้งหลายทุกคนอามน